เกล็นจิโลเกอุปาดิยาติเอวัมปิโคปิคะเวปิกคุปายีกายานุปเสวิหารตินาวสิวติกาปับบังโอ้ยาวหมดแห้ง โอ้ยเอหมดเองเสียต้องเสียหมดเลยะไมเสียงค่อยๆฮะฮะทาไมเสียงค่อยเดดังเฮาผู้เดียวตัวนี้ฮะหมดแลย งเป็นไงป่ <c oughs> าชาเก้าบทแรกธาตุ <c oughs> บทแรกทันพุถึงธาตุ <c oughs> ดินธาต น, น้ำธาตลมธาตุไฟ ธาตุคือสิ่งที่เป็นโมนเดิมของที่มีอยู่ดั้งเดิมเรียกว่าธาตุของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกเรียกธาตุธาตุดินลักษณะแข็งแข็งท่านพูดถึงธาตุในกายของเราเนี่ยนะธาตุดินแข็งแข็งเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นต้น ธาตุน้ำซึมซาบเอิบอาบน้ำเหงือ่อน้ำลายน้ำปัสสาวะธาตุลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมปลนเปลือกายลมพัดไปตามตัวลมในท้องในไส้ธาตุไฟค ว, ความอุ่นความอบกุ่นของกายท่านให้พิจรารณา เอาสติมาพิจารณานะอธิอธิโค อ, อธิอธิโคกายโยเอวังธ ร, รมโมเอวังพาวีเอวังวองนัตติโต กายเราเอาสติมากำหนดพิจารณาว่ากายมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ให้สักแต่ว่ากายมีอยู่ให้พิจารณาเห็นสักแว่ากายมีอยู่สักแต่ว่ากายมีอยู่เฉพาะหน้าเห็นสักแว่าเป็นสภาวะมีอยู่เฉพาะหน้าอาศัยสติสักแต่ว่าระลึกรู้ เราดูมาภ า, าพมาภาพปฏิบัติเราเอาสติมาใช้สติสักเทวะระลึกรู้กัหมดรู้เราลึกรู้เอาผู้รู้ของเราเนี่ยมาระลึกรูรก้รู้ว่ากายมีอยู่สักเทวะกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราสักเทวะกายมีอยู่ สักแต่ว่ามีสติพิจารณาอยู่เฉพาะหน้าไม่เกิดมีความยึดยึดว่าเป็นกายเราไปเป็นกายของของเราหเห็นสักแต่ว่าเป็นถ า, ถาดถาดมีอยู่อย่างพิจารณาในป่าช้าก้าพิจารณาสักแต่ว่ากายมีอยู่อธิคโคกายอย เอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตเทระบบทเทระบบท่าน ก, ก็มาสรุปอยัมปิโคกายโอัตติกายโยทิวาปนาาัสสะสติปจุปปิตาโหติสัจทวามีสติระลึกโยรู้อยู่จำเพาะหน้าว่ากายมีอยู่ประชาง 9, รงเก่านำมาพิจารณาทระบบแต่ระบทท่านจะมีบทสรุปทั้งเก่าทั้งเก่าบทนั่น ที่ทเรว่าปราชาก้าปราชาก้ามาดูบทพิจารณามีอยู่ในนี้หมดจะจะพิจารณาเป็นสมถะก็อยู่ในนี้หมดจะพิจารณาเป็นวิปัสสนาก็อยู่ในนี้หมดที่ถ้าใ้เราส่วนมีสติกำหนงจดจ่ออยู่เฉพาะหน้ามีความรู้อยู่เฉพาะหน้าไม่เกิด อัตตาตัวตนมันโปร่ขึ้นมาแล้วมายุดว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราว่าเป็นอัตตาตรวจตนของเราเมื่อสติมีอยู่เฉพาะหน้ามีผู้รู้กําหนดจดจ่ออยู่เฉพาะหน้าตัณหามื่ก็สวมรอยไม่ได้ใช้สติกําหนดจดจ่อพิจารณาเพื่อมาเป็นปฏิปปะ ก, กับตัณหาอย่างเดียวตัณหาที่มันจะ เพืงแทรกเข้ามาที่ใจของเราตันหาตันหาคือความอยากในใจปกติมันจะอยากไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราเอาสติมาเป็นกรอบมัดมัดจิตดวงนี้เข้าให้พิจารณาเห็นจากตัวอวัยสักว่าเป็นกายจะเป็นไปเป็นกายนอนตายเป็นกายขึ้นอืดขึ้นพองป่าชาทั้งเก้าเราไปดูเถอะ ที่เรารนนามาึ้ น, อ, นอืดขึ้นพองเปือ่อยเน่าสัตว์ยื้อแย่งกัดกิน น, น้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำไหลเยอะกัดกินเนื้อกัดกินเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เอ็นรัดรึงอยู่เอ็นเริ่มรุดไปกระดูกดเริ่ม ร่วมไปอย่างที่ท่านให้พิจารณาเนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเอามาสึกษาที่ขกายโยเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตตโตกายของเรามีนี้มีอยู่อย่างนี้กายของเรานี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราเห็นอะไรก็เอามารำพึงเอาบทนี้มารำพึง เอวังทำโมเอวังภาวีมีนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอาวังอนาตีโตหลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เราไปเห็นเป็นยังไงเราก็เอาบทนี้มาพิจารณาการที่เราพริจารณาเนี่ยมันเป็นการยอมรับนะไม่เอาความรู้สึกของเราไปขัดแย้งกับภาวะที่มันเป็นอนะเช่นอย่างรถมันปะทะกันเปรี้ยง โอมันเป็นอย่างนี้เอวังธรรมโอเอวังภาวีเอวังอนัตติโตอยัมปีข้อกายโยกกายของเราเป็นอย่างนี้กระทบกระแทกแตกหัตเฉีบตายพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นั่นให้พิจารณาเมื่อพิจรารณาใจมันยอมรับใจมันยอมรับรับทราบรับรูบร้ภาวะ เท่าที่มันเป็นการที่เราจะมาดีใจการที่เราจะมาเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจอะไรไม่มีเพราะใจมันยอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่แล้วมันเป็นตามราะวะข้ามันมันมีตามราะวะข้ามัน<อ>การพลอยเห็นตามที่เท่าที่มันเป็นเป็นสัจจะอย่างหนึ่งอ๋อความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ เป็นบทปรงเป็นบทปล่ปปลอยได้เป็นอย่างนี้เราตองพิจารณาดูดิเราจะเจ็บจะปวดจะปว่วยจะไข้จะอุบัติเหตุจะอันตรายจะอะไรต่ออะไรถึงแก่ชีวิตก็ตามโอ้อธิโคกายโยแม่เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้อายมปิโคกายโยอายมปิข้กาโยแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้ เยวังธรรมโมแม้เราก็จะมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเยวังพาวีเราจะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเยวังนาติโตลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ใจมันยอมเราการที่เราน้อมมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ในแง่ปฏิบัตินั้นเราจะต้องน้อมมาอย่างนี้ยอมรับเท่าที่มันมีเท่าที่มันเปลี่ยนโอ้ให้เป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ มันเป็นยังไงก็ยอมรับอย่างนั้นเราทำใจได้อย่างนี้เท่ากับเราทำใจของเราให้รู้เท่าให้รู้ทันรู้เท่าที่มันมีรู้เท่าที่มันเป็นที่เรารู้เท่าในเมื่อเรารู้เท่าแล้วมันก็ทันทันตัณหาตัณหามันมาสวมรอยมันมาสวมรอยทำให้เราดีใจทำให้เราเสียใจนั่นตัแทรกเข้ามามันแทรกหนึ่งแทรกสองแทรกสามแทรกสี่มันก็เอาเป็นสมบัติของมันไปหมด ปัญหาที่มีอยู่ในใจของเราแต่ละครั้งกิริยาอาการที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจแต่ละครั้งมก็ยึดเอาเกิดขึ้นในใจแต่ละครั้งมก็ยึดเอาเกิดขึ้นในใจแต่ละครั้งมก็ยึดเอามันก็สะสมสะสมอยู่อย่างนี้แหละก็ทําให้เราพาะพูลอยู่ในวัฏฏะสงสารโยอย่างนี้แหละไม่จบวิธีการทั้งจริงให้พิจารณารู้เท่าทันมันไม่ให้มันเกิดเมื่อมันไม่เกิดเราก็ไม่ได้ยึด ถ้ า, ามันเกิดเมื่อไรเราก็ยึดทันทียึดว่าเรามียึดว่าเราเป็นยึดว่าเราทุกข์ยึดว่าเราสุขยึดว่าเขาสุขเขาทุกข์เขาสุขเขามีเขาเป็ น, นมองเห็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดากลายไปเรื่องการปล o ปล่อยใจมันก็ไม่มีอะไรผูกพั น, นการพิจารณาอย่างนี้เป็นธรร ม, มการเอาสติมาใช้เราเอามาใช้อย่างนี้ สติปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นพื้น <c oughs> เป็นบาดเป็นฐานเราดูไปในนั้นทีมันมีสมาธิอยู่ในนั้นมันมีปัญญาอยู่ในนั้นมันมีสติมันมีสมา ธ, มมมาธิมันมีปัญญาอยู่ในนั้นเนี่ยการที่เรามารู้เท่ารู้ทันโมหะมันครอบงำไม่ได้อวิชชาครอบงำจิตไม่ได้โมหะครอบครอบงำจิตของเราไม่ได้เพราะจิตของเรารู้เท่า เท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นอ๋อแกนะ่เนาะอ๋องอมเนาะชราค้ำครนะ่าเนาะหมดแรงเนาะเป็นนู่นเป็นนี้เนาะจะป่วยถึงขั้นหนักหนาสาหัส ถ, ถึงเป็นถึงตายเนาะพิจรารณาอายัมปิโคกายโยแม้กายเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังพาวีเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมดาเอวังนะัตติโตล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้กายนี้จะต้องมีอยูอย่อย่าง น, าาาาางางนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่ากายเราไม่ว่ากายท่างมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้การพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการปลงปล่อ ย, อยมันไม่มีอะไรหนักหนาที่จะมากดถ่วงการยึดการเกาะการติดตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทําให้เรามากเกาะ เกาะแล้วก็ทําให้เก่าเราเกาะเราเกาะก็คือเราเกาะทุกเกอบโกยกองทุกเกาะกองทุกเกอบโกยกองทุกพอยึดปั๊บยึดก็คืออุปาทานอุปาทานก็คือยึดตัณหาผายึดไม่มีตัณหามันไม่มีอะไรผายึดไม่มีไม่มีตัณหามันมีแต่ปัญญามันมีแต่สติมันมีแต่ปัญญามันก็รู้เท่าที่มันมีรู้เท่าที่มันเป็น รู้อย่างที่มันมีรู้อย่างที่มันเป็นลองทำใจให้รู้เท่าอย่างนี้ลองดูเราสามารถทําได้สามารถทําได้ทุกกิริยาอาการของจิตของเราของกายของเราปวดหัวตัวร้อนหิวกระหายเดินอ่อนแรงเมื่อยละ้าหรือมีเรี่ยวมีแรงคึก ข, ขนองเอาสติมาตนนหนดจดจ่อพิจารณาดย เพื่อมาเพื่อมาต่อก่อนกันกับตันหาดักหน้าตันหาไม่ให้ตันหาเกิดเอาสว่างมาใช้แทนไม่ให้มันมืดไม่ให้มันมอดมอดมืดพราะมอดสติแล้วก็มืดแหละอ่าเพราะมอดก็คือสติมันดับอ่าสติดูเหมือนดูองสว่างทําให้เกิดความสว่างพอสติมันดับปั๊บมันก็เหมือนมีความมืดมาครอบมาครุ่มโมหะมันก็ครอบหลงแล้วล่ะ หลงยึดแหละหลงยึดหลงถือเมื่อมีหลงยึดขึ้นมาหลักหลงถือก็มีแล้วตัวนี้แหละตัวที่ดึงกองทุกข์มาทับถม ใ, ใจของเราเวลามันทุกข์ทุกทุกข์ทุกข์ไรจุดดูที่นานปตาจาราผัวเราลูกเราพ่อเราแม่เราอ่าน้องชายเราตายไนเห็นไหมจนเป็นบ้ายึด เมื่อยิ่งยืดมาเท่าไรมันก็ยิ่งทับถมทับถมทับถมทับถ ม, บถมจนทุกข์ทุกข์ทุกข์หนักหนาสาหัสทุกข์จนเป็นบ้าเห็นนางป aja ร, ราเดินผ้าพหลุดลุล่ยเป็นบ้าสาวิกานางปต a จ a ราเป็นบ้าความทุกข์มันคลุมครอบคลุมจิตจนเป็นบ้าทำไมจึงทุกข์ก็เพราะยืดนั่นแหละทำไมจึงยึด พระจิตมันมืดมันทึบมันไม่มีสติมันไม่มีปัญญาไม่มีอะไรไปสอดสองไปดูแลไปคลี่คลายมันไม่ได้มีปัญญาที่จะไปพิจารณาไปปรงไปปล่อยอะไรสักอย่างยึดหมดอะไรก็ยึดหมดอะไรก็ยึดหากมันยึดโดยธรรมชาติของมันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันเราไม่ได้ไปตั้งใจยึดดอกด้วยเหตุที่มันมีเจ้าตัวมารร้ายนี่อยู่ในใจของเรามันยึดโดยหลักธรรมชาติของมัน ทำไมเราจะไม่ยึดนี่แหละวิธีการที่เราเจริญนี่แหละเราจะไม่ยุดหนึ่งเราหยุดให้จิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมถะัารหยุดจอ่จอยัก ย, ย้ายผันแ ป, ปรตามหลักของการเจริญสตินี่มันก็เป็นวิปัสนาหรือมันเรียกาเรียกว่าปัญญาปัญญาปัญญามันเป็นการเพิ่มพูนปัญญา เพิ่มพูนความสงบให้กับจิตของเรา mm. เพิ่มพูนปัญญาให้กับจิตของเรา mm. วิธีการนี้แหละวิธีการที่เราทําเราตั้งอกตั้งใจทําทํายากหรือทําง่ายของไข่ของเราคอยตั้งอกตั้งใจทํา mm. เราเอาวันนี้เป็นกิจจากลักษณะทําเป็นกิจจากลักษณะยืนเดินนั่งนอนทําอะไรก็ตามกำนดจดจ่ออมภันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด น้อมมาเพื่อเป็นการปฏิบัติทั้งหมดน้อมมาเพื่อเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเอาเป็นบรรทัดฐานเดียวกันหมดน้อมมาได้ทั้งหมดทุกอย่างทุกเรื่องน้อมมาเพื่อรู้เพื่อปรุงเพื่อปล่อยน้อมมาเพื่อรู้เพื่อปรุงเพื่อปล่อยน้อมมาเพื่อรู้เพื่อปรุงเพื่อปล่อยในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจน้อมมันเป็นการสำรวมันเป็นการ ตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งความระมัดระวังแง่สติมันมีปัญญามันมีสมาธิสติสมาธิปัญญามันมัมนมีความตั้งอกตั้งใจความจดจอ่อความปดความนทนที่จะดูที่เดี่ยวกําหนดจดจอ่อไม่ปล่อยมันมียืนก็พิจารณาได้เดินก็พิจารณาได้นอนก็พิจารณาได้พิจารณา พิจารากำหนดไปที hmm. ่จิต hmm. มันยึดม e ันย so ึดที sure. to to ่จ right. ิตจ so ิตมันยึด mm จิต hmm. มันผ mm ่ายึดยึดโดยอัตม์อัตโนมัติยึดโดยหลักธรรมชาติของมันถ้าปล่อยให้โมหะมันครอบคลุมทีไรเมื่อไร่ปล่อยให้อวิชชาคลุมทีไรเมื่อไหร่มันพ้ายึดเราเจ็บเราปวดลูกเราผัวเราเมียเราเพื่อนเราพ่อเราแม่เรามันยึด เยอะแล้วก็หองใหญ่วิตกกังวลเลยพิจารณาใช้ปัญญาแก้ไขเอาทําใจให้รู้เท่าทําใจให้รู้ทันทันเท่าอะไรเท่าตัณหามันไม่น้อยกว่ามันทันอะไรทันตัณหาน่ะมันไม่ล่าหลังมันดักหน้ามันหมดไม่ให้มันแสงหน้าเราดักหน้าเรามันหมดมันเป็นการดักพฤติกรรมที่ เลวร้ายภายในใจของเราเช่นกพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าห ย, ยาบคายในใจของเรามันเป็นความเลวทรามของจิตของเราที่เราดักฝึกหัดดัดแปลงมันยังไม่ได้มันไม่ใช่มีมันไม่ใช่มีมมมกิเลสเป็นตัวๆพันนั้นพันนั้นพันนั้นมาแทรกเหมือนเชื้อโรคไม่มี แต่หากมันเป็นเชื้อโรคมันเกิดในตัวมันเองเกิดในจิตมันเองเป็นสันดานของมันเองสันดานของใครของเราเน่ยลองย้อนย้อนไปดูถ้าเราโจดไปที่อื่นเราโจดผิดที่โจดโจรโจดผู้ร้ายชี้จับโจรชี้จับผู้ร้ายชี้ผิดที่จับไม่ถูกแก้ไม่ถูกโจนไม่หมดผู้ร้ายไม่หมดความเลวสามไม่หมดชะก ผิดที่ล้างผิดที่ชำระผิดที่ชักยังไงมันก็ไม่หมดลา้างยังไงมันก็ไม่หมดอสกปรกที่หนึ่งเอาไปชักไปล้างที่หนึ่งสกปรกที่หนึ่งไปชักไปล้างที่หนึ่งไม่รู้เหตุที่แท้จริงของมั น, นวิธีนี้แหละมันเป็นวิธีที่จับชนกันเลยอหมุนไปจันหน้ากันเลยชนกันเลยเอาถ่านไปครั้งหนึ่งเลย หยามน้อมมาพิจารณาได้เรื่องเหานี้มันไม่เกินกายนี้มันไม่เกินเวทนานี้อยู่ในกายนี้ในใจนี้มันไม่เคยมันไม่เกินจิตดวงเดียวเนี่ยอย่าไปว่าจิตมีหลายอันจิตดวงเดียวนี่แหละหากมันมีกิริยาหลา ย, หลายกิริยาแล้วก็ไปเรียกตามกิริยานั้นๆกิริยานั้นๆถึงเรียกมันก็ไม่เสียหายรใดๆ เรียกว่เอเหมือนเขาเรียกแบบอภิธรรมะมันไม่เสียหายหรอกอแต่สำคัญว่าเวลาเราปฏิบัติให้ผู้รู้ตรงนี้มันรค ม, มันสว่างให้มันทัน ม, มันจึงต้องระมัด ร, ระวังสร้างเนื้อสร้างตัวตลอดต้องอบตั้งใจความอดความทนความอุตสาหพยายาม การสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องสร้างอย่างนี้ไ ม, ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าท่านไม่ว่าผู้ที่ท่านล่วงไปแล้วผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วต้องกรสร้างเนื้อสร้างตัวว่าโมเสกพยายามจริตนิสัยของเราของท่านของใครเหมือนกันหมดถ้าจะเทียบเทียบไปแล้วกับเมือนกระบัวนั่นน่ะ บ, บัวซีเลานนั่นะโปลมาจากที่ตมที่โคลนเหมือนกันนะั่นน่ะ ขยับขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวโผล่ขึ้นมามาอยู่กลางกลางน้ําสร้างเนื้อสร้างตัว โ, โผล่ขึ้นมามาอยู่ปริ่มเสมอนะครับความฉลาดในเมื่อเราฝึกเราฝืนเราอบรมตั้งใจมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ดีขึ้นมันสําคัญเราอ่อนให้กับมันเราขี้เกียจขี้คลานอ่อนแอให้กับมันเราถึงตามมันไม่ทันมันก็ครอบเอาครอบเอาครอบเอา สร้างนืาสางตัวยืดจนพ้นน้ําอุคติตันอยู่มีสติมีปัญญาแก่กล้าพอพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจรู้อะไรก็รู้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้ามีสติกํากับมีสมัมผัจัญญะกำกับอะไรมาโปลจเฉพาะหน้าก็รู้อะไรมาโปลจเฉพาะหน้าก็รู้ตั้งตัวสติตั้งสติกําหนดจดจ่อรู้ที่เรียกว่าความรู้ความรู้ จิตคือผู้รู้สติเกิดจากจิตสติเป็นขณะหนึ่งขณะแต่ละขณะแต่ละหลักขณะของจิตมันเป็นการตั้งแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะของจิตมีสัมปชัญญะประคองตั้งสติและสัมปชัญญะประคองกิริยาความเพียรการที่เราพยายามตั้งมันเป็นการสังวรระหวัง สังวรประทานประหานประทานสิ่งที่ไม่ดีมันก็ดับไปในขนาะเดยียวกันไม่ตั้งใจจะไปดับมันก็ดับใ น, นเมื่อเราสังวรระวังมาแล้วเราสํารวุนระวังตั้นถามเกิดไม่ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงอกุศลเอ่ยอะไรเท่าไรเอ่ยพูดตรงตรงใส่ตัวมันเลยตัวความอยากนั่นนะตัวมันเลยตัวนี้ตัวความอยาก กิริยาอาการมันดีดดิ้นในใจของเราว่าตัวมันเลยน่ะมันอยากมันชอบเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องราคะตันหาเรื่องอะไรจอะไรโพลมาตรงนี้จอกำหนดจดจอดูตรงนี้เห็นได้จับได้โอ้จับได้จังๆคาหนังคาเขาแต่ละครั้งแต่ละครั้งยอ่อยุบย่อไปดนับไปม่รู้เท่าไหร่กี่วันต่อกี่วัน ก่อนเฉพาโปรหัวเป็นใหม่กว่าจะมาปโปรมีกําลังมากจับอยู่ตรงนี้เจา อ, อยู่ตรงนี้แหละอุตสาหพยายามอยู่ตนี้ขยับอยู่ตรงนี้เอาเป็นเอาตายกันอยู่ตรงนี้แหละมันจะค่อยค่อยค่อยค่อยรู้ค่อยค่อยอย้าใจไปค่อยค่อ ย, อยทัน ก็เหมือกับเราชักเราล้างก็บอกแล้วว่ามันเป็นมายามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เคยถูกฝึก ฝ, กฝนอบรมมามันสร้างรพบสร้างรากมาเป็นกี่กับการปุริชาติมาเราไม่รู้เวลาเรามาทำเราเมื่ก็ทํายากมันแข็งมันด้างมันดื้อเจาอยู่นี่แหละไม่ปล่อย หากรู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาเองมีกําลังบางชา้ามีเรีว่วมีแรงมีขรจิตกระใจมีอะไร อ, อะไรหมดเวลาปรากฏผลขึ้นมามีสมาธิไหมอยู่ในนั้นแหละมีปัญญาไหมอยู่ในนั้นอยู่ด้วยกันนันสติสมาธิปัญญาขันติฮิริโอตปะ วิรยิยะอุตสาหะความอดความทนมันเป็นการอบมันเป็นการรมมันเป็นการบ่มสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อยู่ในนั้นแหละอุตสาห์พยายามทำเอาอพอสมควรเันวันนี้ <c oughs>